ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องแหล่งเกิดแห่งความสุขจากผลงานประพันธ์ของอาจา ร, รย์วสินอินทสระ บทนำจากผู้ประพันธ์ความปรารถนาของมนุษย์แม้จะมีมากมายหลายอย่างก็จริงแต่ไม่พ้นไปจากจุดหมายปลายทางคือต้องการพบความสุขและอยู่กับความสุขให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือต้องการหลีกเลี่ยงความทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นความต้องการฝ่ายลบส่วนความต้องการความสุขเป็นฝ่ายบวก แต่สุขทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดฝ่ายทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าทุกขะสมูทัยเป็นอริยสัจข้อที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์ทรงชี้ไปที่ตันหาหรือกิเลสว่าเป็นสาเชื้อของทุกข์อีกในหนึ่งเหตุแห่งทุกข์คือบาปมนุษย์สร้างเวรกรรมทำบาปมากเท่าใดทุกข์ก็ติดตามมากเท่านั้นเพราะได้หวานเมล็ดพืชแห่งทุกข์ไว้แล้ว รอแต่จะผลิดอกออกผลเท่านั้นมนุษย์เราเมื่อหว่านมเมล็ดพืชแห่งชีวิตคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมักไม่ค่อยระวังสักแต่ว่าว่านลงไปหว่านลงไปแต่พอผลิดอกออกผลเป็นความทุกข์จึงร้องครวญครางยังเจ็บปวดว่าไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ไม่ทําดีกว่าด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ความชั่วไม่ทำเฉลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้และว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายแล้วท่านอย่าทำบาปทั้งในที่แจ้งและที่ลับถ้าท่านทั้งหลายจะทำบาปหรือว่าจะทำก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดก็ตามต้นเหตุที่ทำให้พระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้มีโดยย่อว่า เช้าวันหนึ่งพระศ า, าสดาเสด็จออกจากวัดเชตวันเข้าเมืองสาวัตถีเพื่อบินธบาต ท, ทอดพระเนตรเห็นเด็กจำนวนมากกำลังจับปลาเบียดเบียนปลาอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาและตรัสว่าพวกเธอกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของพวกเธอหรือไม่พวกเด็กกราบทูลว่าไม่ชอบความทุกข์เลยพระศ า, าสดาจึงตรัสข้อความดังกล่าวแล้ว พิจารณาดูสังคมของเราตลอดถึงสังคมโลกร้องระง ม, มด้วยความกลัวทุกข์ทั้งที่มาถึงแล้วและคิดว่าจะมีมาในภายหน้าแต่สังคมของเราไม่ค่อยกลัวบาปอันเป็นต้นต่อของทุกข์เหมือนคนกลัวแก่เจ็บตายแต่ชอบความเกิดซึ่งเป็นต้นทางและเป็นเหตุตรงแห่งทุกข์ทั้งสามประการนั้นเราชื่นชมสมนัตต่อความเกิดหรือผู้เกิด โดยไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่านั่นคือการชื่นชมต่อทุกข์ซึ่งดักรออยู่ข้างหน้าความฟุ่มเฟือยเป็นบาปอย่างหนึ่งของสังคมถ้าสังคมยังฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ยรายเพลิดเพลินสนุกสนานและหาความสุขบนความทุกข์ยากแยนแค้นของผู้อื่นอยู่สังคมย่อมไม่สามารถประสบสันติสุขที่แท้จริงจะมีบ้างก็แต่ความสุขอันฉาบฉวยจอมปลอม พร้อมที่จะมอบทุกให้เป็นผลตอบแทนเหมือนคนกินขนมเจอยาพิษดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนด้วยการนำทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นระคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรคนไทยชอบพูดว่าเวกรกมเวกรกรมแท้เวลาประสบเคราะห์ร้ายพจนานุกรมไทยให้ความหมายคำว่าเวรว่า ความพยาบาทกันปองร้ายกันบาปนี่คือความหมายทางธรรมส่วนความหมายธรรมดาคือการผัดเปลี่ยนกันทำงานเช่นอยู่เวรเข้าเวรออกเวรเป็นต้นโดยในนี้น่าจะต้องมีกรรมคือการกระทําก่อนแล้วจึงมีเวรคือทำกรรมอันเป็นบาปหรือเป็นเหตุให้พยาบาทปองร้ายกันเรามองเห็นคนในสังคมปองร้ายกันมากมาย อันสืบเนื่องมาจากกรรมที่เป็นบาปเพราะความโลภ บ, บ้างโกรธบ้างหลงบ้างเป็นรากเน่าอยู่ถ้าไม่มีกรรมอันเป็นบาปก็ไม่มีเวรหรืออาจพ้นจากเวรไปทีเดียวดังสุภาษิต ท, ที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวซึ่งบาลีว่าทุกขโตทุกขถานางในทางกลับกันให้สุขแก่ท่านสุขนั่นถึงตัว ซึ่งบาลีว่าสุขโตสุขถานังไม่ว่าจะมองในแง่จิตวิทยาหรือในมุมมองของศาสดาทุกศาสนาสิ่งใดออกจากผู้ใดสิ่งนั้นย่อมกลับเข้าหาผู้นั้นผู้คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายย่อมได้รับผลร้ายผู้คิดดีทำดีพูดดีย่อมได้รับผลดีเหมือนลำต้นดอกและใบของต้นไม้ ย่อมแสดงถึงเมล็ดพันธุ์ของมันอย่าได้สงสัยเลยแรงเกิดแห่งความสุขแรงเกิดหรือบ่อเกิดแห่งความสุขหรือสุขขัสมูทไทยตามในยะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่25ข้อ200หน้า240มีใจความสำคัญซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พุทธบริษัทว่า ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจเราได้รู้จักวิบากของบุญที่ทำแล้วว่ามีผลอันน่าชื่นใจตัวอย่างเช่นเราจเจริญเมตตาจิตอยู่เจ็ดปีไม่ได้กลับมาสู่โลกนี้อีกตลอดเจ็ดสังวัตรกรับหรือกลับื่อมตลอดเวลาที่กลับือมอยู่นั้น เราเป็นอาพัสรพรมเข้าถึงพรหมโลกเมื่อกลับเจริญขึ้นหรือวิวัติกับเราเข้าถึงพรหมวิมานที่ว่างเปล่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ครอบงามสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดครอบงมเราได้เราเป็นผู้เห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสามารถทาจิตให้เป็นไปในอานาจได้ คือประสงค์จะคิดสิ่งใดก็คิดได้ไม่ประสงค์ก็ไม่คิดได้เราเป็นเท้าสักกะจอมเทพสามสิบหครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิกราชหลายร้อยครั้งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายไม่ต้องกล่าวถึงการเป็นพระราชาประเทศเล็กประเทศน้อยครั้งนั้นเรามาหวนคิดว่า นี่เป็นผลของกรรมอะไรที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงปานนี้เราได้ประจักษ์ชัดว่าเป็นผลของกรรมสามอย่างคือทานธรรมะหรือการฝึกตนและสัญญมะหรือการสมรวมตนพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลพึงศึกษาเรื่องบุญอันมีผลภัยบุญยิ่งใหญ่มีสุขเป็นกำไรพึงให้ทานพึงประพฤติสุจริต หรือสมะจริยาพึงเจริญเมตตาจิตทั้งสามอย่างนี้เป็นสุขะสมูทยัยคือแหล่งเกิดแห่งความสุขด้วยประการดังกล่าวมานี้บัณฑิตย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นสุขไม่มีการเบียดเบียนตามพระพุทธจริยาและพระพุทธพจน์นี้จะได้หลักธรรมหลายข้ออันเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขคือหนึ่งทานการให้สองธรรมะการฝึกตน สสัญญมะการสมรวมตนสี่สมจริยาการประพฤติสุจริต 5. เมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขหนึ่งทานการให้ทานตามตัวอักษรแปลว่าการให้ให้สิ่งที่ควรให้แก่คนที่ควรให้และไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรให้แก่บุคคลที่ไม่ควรให้ เมื่อนางวิสาขาจะแต่งงานไปอยู่ตระกูลของสามีบิดาของนางได้ให้โอวาดหลายข้อหลายเรื่องมีเรื่องนี้อยู่ด้วยคือกอให้ให้แก่คนที่ให้อธิบายว่าใครมากู้หนี้ยืมสินแล้วให้คืนก็จงให้แก่ผู้เช่นนั้นขออย่าให้แก่บุคคลที่ทั้งให้และไม่ให้หมายความว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องเดือดร้อนมาขอยืม เขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็จงให้ไปเถิดเป็นการสงเคราะห์ญาติซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งใน38ข้อการให้แก่คนยากจนเพื่อการอนุเคราะห์ให้เขาได้ประกอบอาชีพได้สะดวกขึ้นหรือเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ก็เป็นการสมควรการให้แก่พระภิกษุสัมมาเนรผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพื่อทํารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็เป็นสิ่งจำเป็นสังคมไทยบำเพ็ญกรณียกิจอันนี้ในรูปของการทำบุญต่างๆเป็นสังคมสงเคราะห์ไปในตัวด้วยแต่ถ้าภิกษุนสงใดหมู่ใดปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบพุทธศาสนิกชนไม่ต้องให้ก็ได้เพราะการสนับสนุนพร่ำเพื่อไปทำให้ศาสนาเสือ่อมทำให้พิกษุบางพวกประพฤตตนหลอกลวงมากขึ้น เห็นผู้ให้เป็นคนโง่เขลาเหมือนให้กําลังแก่โจรมีแต่จะทําร้ายผู้เสริมกําลังให้พระพุทธเจ้าตรัสตําหนิภิกษุเช่นนั้นว่าทําการบวชให้เป็นอันตรายหน้าหวาดเสียวเหมือนดาบเหมือนอาวุธที่คมซ่อนไว้ในฝักซ้ำมีผ้า พ, พันไว้อย่างเรียบร้อยบางท่านพูดตําหนิภิกษุเช่นนี้ว่าเหมือนซ่อนดาบไว้ในจีวร น, น่ากลัวเพียงไร ทำสักการะหรือปัจจัยที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้มีผลน้อยเหมือนนาไม่ดีให้ผลผลิตได้น้อยแม้ชาวนาจะใช้ความพยายามหาพันข้าวที่ดีสักปานใดก็ตามส่วนภิกษุผู้มีศีลมีธรรมดีย่อมทำปัจจัยและสักการะแม้เพียงเล็กน้อยที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้มีผลมากมีอนิสงฆ์มาก เหมือนเนื้อนาดีให้ผลผลิตอันไพยบู์แก่ชาวนาผู้ทำได้วิธีอันถูกต้องเพราะฉะนั้นทายกทายิกาผู้ชลาดจึงควรเลือกให้ตามพระพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลควรเลือกให้ทานในที่ที่จะมีผลมากการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญซึ่งบาลีว่าวิเจอยทานัางทาตับพังยัตถทินนางมหัพพลัง คราวหนึ่งพระเจ้าประเสียนที่โกรธสนเสด็จไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าว่าควรให้ทานในที่ใดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสทูลถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากตรัสตอบว่าถ้าจะให้มีผลมากต้องให้แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรมเรื่องทํานองนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง คือการทาความดีกับคนดีย่อมจะมีผลมากกว่าการทากับคนชั่วด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งคนดีมีความกระตันยูกะตเวทีย่อมระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตนหาโอกาสตอบแทนอยู่เสมอถ้าเราต้องการการตอบแทนย่อมไม่ผิดหวังบางทีอาจได้มากกว่าที่เราหวังเสอีกเหมือนเราปลูกต้นไม้ใหญ่และดี ย่อมให้ร่มเงาดอกผลอากาศดีแก่เรานานแสนนานแม้เราปลูกเพียงครั้งเดียวสองเราได้ความปลื้มใจว่าได้ช่วยเหลือคนดีมเมล็ดพืชที่เราหว่านลงนั้นนอกจากให้ความสุขแก่เราแล้วยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆ อ, อีกมากต่อต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่การทำความดีกับคนชั่วบางทีเสมอตัว บางทีกลับเป็นโทษเหมือนนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่าชาวนาช่วยมันให้ฟื้นแล้วมันกัดเอาถึงตายความอากตัญอยู่เป็นลักษณะหนึ่งของคนชั่วดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอากตันอยู่ผู้เพ่งหาโทษอยู่เป็นนิดก็ไม่อาจทำให้เขาพอใจได้เพราะฉะนั้น จึงควรให้สิ่งที่ควรให้แก่คนที่ควรให้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรให้แก่บุคคลที่ไม่ควรให้อย่างแรกเป็นการส่งเสริมคนดีอย่างหลังไม่ส่งเสริมคนชั่วหนึ่งจุหนึ่งประโยชน์ของทานประโยชน์ของทานมีปรากฏอยู่ในมโนรัฐปุรณีภาคสาหน้า253มมีใจความว่าทาน เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกซึ่งบาลีว่าอาทานตะธ ร, รมนังทานังการไม่ให้เป็นการประทุสร้ายผู้ที่ฝึกแล้วซึ่งบาลีว่าอาธานังทันตะทูสกังผู้ให้บันเทิงอยู่ด้วยการให้ผู้รับอ่อนน้อมถนอมใจด้วยปิยวาจาซึ่งบาลีว่าธาเนนะปิยวาจายะอุนมันตินมันติจ หนึ่งทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกคือฝึกให้เป็นคนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมเครื่องให้ระลึกถึงกันสงเคราะห์กันเอื้ออาทรต่อกันอยู่กันเป็นสุขมีนิทานคติเล่า ว, ว่านรกสวรรค์นั้นอยู่ติดกันมีผู้พาคนไปเที่ยวดูนรกสวรรค์ซึ่งอยู่ติดกันที่หนึ่งคนอยู่กันยังอดอยากแรนแค้น ทั้งๆ ท, ที่มีอาหารอยู่พร้อมแต่กินไม่ได้เพราะช้อนและมือยาวจนเอาอาหารเข้าปากไม่ได้จึงสูบซีดผอมแห้งแต่อีกที่หนึ่งมีช้อนและมือยาวเอาข้าวปากตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่เขาป้อนให้คนที่นั่งตรงกันข้ามป้อนให้กันและกันจึงอยู่เป็นสุขสมบูรณ์คนในสังคมของเราก็เป็นเช่นนี้ที่ใดคนเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักให้กันก็อยู่ลำบากสังคมใดคนรู้จักสงเคราะห์เอื้อเฟือ้อรู้จักทำเพื่อผู้อื่นสังคมนั้นก็อยู่เป็นสุข 2. การไม่ให้เป็นการประทุสร้ายท่านผู้ฝึกแล้วหมายความว่าท่านผู้ฝึกตนดีแล้วเช่นพระพิสุสมมเนีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมารดาบิดาครูอาจารย์เป็นต้น ผู้มีคุณธรรมอันควรจัดการบูชาด้วยข้าวน้ำเครื่องบริโภคอันใดเราควรบูชาท่านด้วยสิ่งนั้นในส่วนอาิสบูชาเป็นการสนับสนุนท่านเชิดชูให้ปรากฏการไม่ให้ไม่บำรุงเท่ากับไม่สนับสนุนถ้าท่านเป็นอยู่ลำบากเกินไปท่านยอมอยู่ไม่ได้เป็นการละเลยหน้าที่ของเราที่ควรทาจึงชื่อว่า ประทุศรายท่านผู้ฝึกตนแล้ว 3. ผู้ให้บันเทิงอยู่ด้วยการให้ผู้รับอ่อนน้อมถ่อมน้ำใจด้วยปิยะวาจาการให้จะมีผลมากต่อเมื่อประกอบด้วย 1. สิ่งนั้นได้มาโดยสุจริตชอบธรรม 2. เจตนาดีทั้งสามการคือก่อนให้มีใจผ่องใสเต็มใจให้ กำลังให้มีใจเลื่อมใสชื่นบานให้แล้วรู้สึกพอใจไม่เสียดายไม่ขุนมัวสามผู้รับทานเป็นคนดีมีศีลมีธรรมถ้ามีคุณธรรมพิเศษเช่นพระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติก็จะทำให้ทานนั้นมีผลมากขึ้นอย่างหลังนี้เรียกว่าคุณาติเรกะสัมปทานแปลว่าพร้อมพรั่งด้วยคุณสมบัติพิเศษ ด้วยเหตุนี้ผู้ให้จึงควรทำใจบันเทิงชื่นบานในการให้ส่วนปฏิคา6หผู้รับควรอ่อนน้อมถ่อมน้ำใจด้วยปิยะวาจาคือพูดจาไพเราะให้กำลังใจให้พรรับด้วยความเคารพอ่อนน้อมไม่ทำอาการประดุดทิ้งเสียหรือตำหนิตีเตียนสิ่งที่เขาให้จะมากหรือน้อยราคาถูกหรือแพงไม่เห็นเป็นสำคัญ เห็นสำคัญที่น้ำใจของผู้ให้เมื่อท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีจนลงท่านได้นำของที่ราคาถูกไม่ประนีตไปถวายพระพุทธเจ้าเช่นผักดองและข้าวปนพร้อมได้กราบทูลว่าตอนนี้จนลงทำได้เพียงเท่านี้พระพุทธองค์รับด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อในทานพร้อมกับตรัสว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทานชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มี ในปีตวิมานวัตถุเท้าสักกะจอมเทพได้พูดกับเทวดาชั้นดาวดึงว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษินาคือของที่ให้ไม่ชื่อว่าน้อยหมายความว่าของน้อยหรือมากไม่สาคัญความสําคัญอยู่ที่จิตเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสและบุคคลผู้รับทักษินาเป็นผู้มีศีลมีธรรมเพียงใดถ้ามีคุณธรรมสูงมาก ก็ทำให้ทักษิณาที่เขาให้แม้น้อยให้มีผลมากแต่ถ้าเป็นคนทุศีลไร้ธรรมก็จะทําทายธรรมของเขาแม้มากให้มีผลน้อยการให้ทําให้จิตใจของทั้งสองฝ่ายอ่อนโยนเข้าหากันเพราะฉะนั้นการให้และการรับท่านจึงจัดเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการระงับความโกรธความอาฆาตยองเวรผู้ให้ย่อมมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น 1>, 1. บางคนให้เพราะชอบพอกัน 2. บางคนให้เพราะโกรธคือรำคาญให้เพื่อแก้รำคาญ 3. บางคนให้เพราะความหลงคือไม่รู้เหตุผลในการให้เห็นคนอื่นเขาให้ก็ให้ตามเข้าไป 4. บางคนให้เพราะกลัวกลัวคําติเตียนว่าตรณีหรือแม้กลัวอับายภูมิมีนรกเป็นต้น 5. บางคนให้เพราะบรรพบุรุษเคยให้มาให้เพื่อรักษาประเพณีของตระกูล 6. บางคนให้เพราะอยากไปสวรรค์ 7. บางคนให้เพราะคิดว่าให้แล้วสบายใจจิตใจผ่องใสเบิกบาน 8. บางคนให้เพราะมุ่งหมายปรุงแต่งจิตหรือฝึกฝนจิตให้ดีในเหตุแห่งการให้ทั้ง8ข้อนี้ข้อ8ดีที่สุด มีผลมากมีอนิสง์มากมีสุภาษิต ท, ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทานนี้มากมายจะขอนำมาเสนอในที่นี้เพียงวางประการเช่นทานเป็นยาให้เกิดสเสน่ห์หรือทา น, นังสิเนหะเพสศชังความตระหนี่เป็นยาให้คนเกลียดชังหรือมัดเฉรังโทสโนสทุงทานเป็นยาให้ได้ยศหรือ ทานางยศ ส, สิเพศชังความตะหนีเป็นยาให้กำพร้าพวกพ้องหรือมัดเขรังกัปโนททางเข้าใจว่าเป็นสุภาษิตโบราณจำแต่เนื้อความแต่ไม่ทราบแหล่งที่มาของสุภาษิตนี้เห็นว่าเป็นของดีกินใจน่าสนใจจึงนำเสนอเพื่อพิจารณาคนทั่วไปแสวงหายาเสน่ห์กัน เอามาท่องบ้างเอามาทาบ้างเพื่อให้เกิดเสน่ห์มหานิยมแต่เสน่ห์ที่แท้จริงคือการให้การสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อด้วยน้ําใจอันงามในสังคหวะวัตถุธรรมสี่ประการซึ่งเป็นธรรมให้เกิดเสน่ห์คล้องใจคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงทานเป็นข้อแรกตามมาด้วยปิยวาจาการพูดดีอัตตจริยาการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสมาณตต า, ตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายวางตนดีร่วมสุขร่วมทุกุหลาบดอกน้อยเพียงดอกเดียวสองดอกที่เราให้เขาด้วยใจรักและเมตตาวันเวลาล่วงไปแม้กุหลาบนั้นจะร่วงโรยไปแล้วแต่มันจะไปบานอยู่ในใจของผู้รับอีกนานแสนนานหรืออาจชั่วชีวิตก็ได้การให้จึงเป็นยาเสน่ห์ที่แท้จริง ส่วนความตระหนี่หรือความเห็นแก่ตัวเป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาให้คนเกลียดชังจะเรียกว่าเป็นยาพิษก็ได้เป็นฝ่ายทำลายทำลายตนเองทำลายผู้อื่นทำให้กํำพลาพวกพ้องไม่มีใครอยากคบหาสมาคมกับคนตระหนี่เห็นแก่ตัวมีสุภาษิต ท, ทางพระพุทธศาสนาอยู่บทหนึ่งว่ามนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่สะอาด ตรงกันข้ามคนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนสะอาดแน่นอนทีเดียวคนส่วนมากย่อมต้องการครบคนสะอาดคนตระหนี่เห็นแก่ตัวจึงมักกำพร้าพวกพ้องการให้เป็นยาให้ยศเจริญคําว่ายศในทางศาสนาท่านกล่าวไว้หลายอย่างเช่นความเป็นใหญ่หรืออิสริยยศความมีเกียรติหรือเกียรติยศ ความมีบริวารดีหรือบริวารยศวันหนึ่งสีหะเสนาบดีแห่งนครเวสาลีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอให้ทรงแสดง อ, นนงองานิสงส์ของทานที่พอเห็นได้ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคทรงแสดง อ, นนงองานิสงส์ของทานที่เห็นได้ในปัจจุบันสประการส่วนอีประการหนึ่งเห็นได้ในสัมปรยายภพหรือภพหน้าดังนี้หนึ่ง ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มากสองคนดีทั้งหลายย่อมพอใจครบเขาสามกิติศัพท์อันดีงามของเขาย่อมฟุ้งขจรไปสี่เมื่อเขาเข้าไปในชุมชนใดก็ตามย่อมไม่เก้อเขิน 5. เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีหะเสนาบดีกราบทูลว่าผลแห่งทานสี่ประการข้างต้น เขาได้เห็นแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคแต่ผลประการสุดท้ายที่ว่าสิ้นชีพแล้วไปสู่สุคตินั้นเขาไม่เห็นด้วยตนเองแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่กล่าวมานี้ท่านผู้อ่านพอเห็นได้ด้วยตนเองบ้างแล้วว่าทานเป็นแหล่งเกิดความสุขอย่างไรนอกจากตนเองมีความสุขที่ได้ให้แล้วผู้รับก็มีความสุขที่ได้รับ ได้ใช้ได้บริโภคช่วยส่วนที่ขาดแคลนเติมส่วนที่พร่องให้เต็มมนุษย์ที่อยู่กันในสังคมจึงควรสร้างนิสัยในการให้ซึ่งกันและกันเพื่อการอนุเคราะห์บ้างสงเคราะห์บ้างบูชาคุณบ้างการให้แก่ผู้ขาดแคลนเพื่อการช่วยเหลือเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์การให้เพื่อผูกไมตรีเช่น ให้แก่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์การให้แก่ท่านผู้มีคุณเช่นพระภิกษุสมมาเนเนนักบวชในศาสนาบุพการีมีมารดาบีดาอุปชายาอาจารย์เป็นต้นเรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณ